ที่จะถวายภาพป่าภาพป่าที่พวกเราได้ ร, ร, รูปรวมจตุปกรัยหรือว่าใดของที่จะถวายไว้ในวัดวานศาสนาก่อนที่จะได้ของมาของที่ถวายพระสงฆ์ก็ไม่ใช่ได้มาแบบง่ายๆต้องเสียสละวเวลาลาการทำหน้าที่การงาน และวแเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาเพื่อซื้อสิ่งของเรื่องใดถวายเป็นปัจจัยในหมอกไายในพระพุทธศาสนาในการทําบุญทุกครั้งหรือว่าเราทำบุญในพระพุทธศาสนาก็เป็นนการหว่านพืชลงในเนื้อนาเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสำหรับจิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําบุญทุกครั้ง พวกเราจรึงได้รักษาศีลซะก่อนสมาทานศีละก่อนคือําระกายวาจาของเราซะก่อนแล้วก็พร้อมที่จะทำบุญทำทานในการาทำบุญททานต่อไปเพราะนั้นทุกครั้งที่พวกเราจะเห็นในงานพิธีไหนก็ตามพิธีใหญ่ที่พวกเราเห็นจะมีสาังพิธีขึ้นมาแล้วก็มีการไหวพระรับศีล จากนั้นก็ทําพิธีถวายทานเรียว่าทำอย่างอื่นต่อไปนี่คือเป็นประเพณีมาถือมาแต่โบ ร, ราณแต่โดยมากครูบาอาจารย์พระสง์ทั้งหลายเมื่อญาติโยมกลก่าวขอศินพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เป็นประธานสงฆ์ท่านก็ให้ศิน ท, นทันทีโดยมากเกือบจะว่าร้อยทั้ร้อยที่หลวงพ่อไปในงานต่างๆเพราะนั้นหลวงพ่อเอง ยังได้กล่าวหรือว่าได้แนะนําด้วยได้ชี้แจงว่าสินมีคุณค่าอย่างไรที่พวกเรารับรักษาเนี่ยรับษ า, บาเป็นพิธีเท่านั้นเองพออาราธนาศินพระสงฆ์ก็ให้ศินแล้วกระจุกคุณค่าของศินมีประโยชน์อย่างไรสําหรับตัวของเราแล้วทําไมพระสมฆ์จึงให้สินแล้วทําไมพวกเราจึงขอสินทุกครั้งไม่ขอไม่ได้เหรอ แต่ทำไมจึงขอสิมอันนี้ก็คือไม่มีใครสนใจ้วยถือว่าเป็นพิธีหรือเข้าไปหาพระพระตองเป็นอย่างนี้ก็ต้องขออย่างนี้อันนี้ก็คือพวกเราที่ไม่เห็นเห็นกันจนเคยชินปรนะวัาสาสติสารพิธีจะตามไม่จริงการขอสิ่ที่โบราณโบราณที่ท่านำกำหนดเอาไวน้นัพวก ให้พวกเร า, เาได้สำนึกสำเดียบในสำนึกในการที่จะเป็นคนคนดีเป็นพุทธมามะกะแสดงตนต่อพระพุทธเจ้าก็ทําพระสงฆ์พวกเราเป็นพุทธมามะกะยึดมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งผูอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้นํา ว่ากล่าวน้โมกล่าวน้โมสามจบสมภพจะเป็นผู้นำวัาหน้าโมตัดสะกพระคำว่าตัวรหัสตัวส ม, มายสมพุทธศักสามครั้งพวกเราเขาว่าตามในเมื่อว่าตามความหมายน้โมว่าอย่างไรในพวกเราก็ไม่ได้เรียนบาลีแม่เขาไม่คำว่าน้โมนั่คืออะไรแต่ตามไม่จริงคําแปลของน้โมนั้นว่า พระพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคตระขันต์สามมาสัมพุทธเจ้าเก้าทัานสามครั้งในขั้ก่อนที่เราจะรับสินคือสินพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติเป็นผู้กําหนดหรือว่าเป็นผู้แต่งตั้งหรือว่าเป็นผู้คุ้คนคิดขึ้นมาได้จึงวางศาสนาสําหรับ ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกก็คือโยมผู้ชายอุบาสิกาคือคโยมผู้หญิงให้รักษาศินห้าสำหรับฆราวาสเป็นภูมิีปาระมากพันธะมากการงานมากสินห้านี่ก็คงจะเพียงพอที่จะคุ้มครองให้พวกเราร่วมเย็นเป็นสุขธรรมดินสินคุ้มครองแล้วพวระพุทธเจ้าจึงวางศินห้าให้แก่อุบาสกอุบาสิกาอย่างพวกเราทั้ทั้งหลาย เพรนั้นก่อนที่เราจะรับศีลท่านจะให้นอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนเพราะเบืต้นศาสด า, า, าเป็นต้นพระพุทธศาสนาจากนั้นเมื่อกล่าวที่สามจบแล้วพระสงฆ์ผู้นําให้บอกพุทธทงานานาาทังสารางคชาณิธรรมังสามังสารางคชาณิพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสราระเป็นที่พึ่ง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 พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดรินชอบเองโดยพระ อ, องค์จากนั้นก็ได้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราได้ศึกษาพระสงค์ก็คือผู้นําพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้พวกเราได้เข้าใจได้ศึกษาเพราะนั้นทั้งสามรัตนคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์พวกเราขอนอ้อ ม, อมรับกราบไหว้เป็นาชนะเป็นที่พึ่งของพวกเรา จากนั้นก็กล่าวเป็นองค์สิงปาณาติปาตาเวรมัมณีสิกขาประธสมาธิยามิข้าเป็นเจ้าจึหมดเว้นในการฆ่าแต่ว่าคำว่าฆ่าคำนี้ฆนะ่าสัตว์ทั้งมนุษย์ด้วยถ้าบอกคนเรานี่จะเข็นีน่จะคิดฆ่ากันโลกทั้งโลกก็เดือร้องบุญนวายใช่การฆ่าคนอื่นเราก็ไม่ไม่กระไร คนอื่นตายก็ไม่กราไรแต่ถ้าว่าเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ของเราถูกฆ่าละ่ะตัวของเราถูกฆ่าลูกหลานของเราถูกฆ่าเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้แหละศีลของพระพุทธเจ้าจะมีคุณค่าขึ้นทันทีแต่ว่าถ้เราเลืกถึงเราถ้าเราเลืกถึงคนอื่นนะคนอื่นถูกฆ่านะั้นศีลของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีคุณค่าเท่าไหร่เพราะเหตุใดเพราะมันหาตัวของเรา แต่ถ้ามาถูกเราเข้าไปแล้วถูกตัวของเราเข้าไปแล้วสินของพวกทาเจ้ามีคุณค่าเพราะฉะนั้นการไม่เบียดเบียนกันการไม่ฆ่ากันความสงบร่มเย็นเป็นถุกความสบายอกสบายใจก่อนมีกับทุกมู้ทุกเหล่าถ้าไม่เบียดเบียนเึิงกันซึ่งทะเลกั น, กนอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานการขโมยของเขาเขาก็ครักสิ่งของของเขา ของเร า, าก็เช่นเดียวกันถ้าว่าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเราขโมยเขามาขโมยของเราเราก็เช่นเดียวกันเราก็เสียใจเพราะนักพรตพระเจ้าจึงมันจัดสินข้อที่สอย่าขโมยของกันการมีสุนิชายการสินข้อที่สสามีพัญญาลูกเต้าต้องไข่เขาคลอดสงวนหัวแหนถ้าเราไปล่วงรับเขาเขาก็เสียใจถ้าเราเขมาร่วงลับเราเราก็เส uh ียใจเช่นเดียวกัน เพราะนั้นพวกทาจึงมันอยากสินข้อที่สามให้พวกเรารักษาข้อที่สี่มุสาทั้งว่าพวกเราไปโกหกคนอื่นเขาก็เสียใจไม่ใช่โกหกธรรมดาโกหกต้นตุนเขาด้วยเพราะว่าโกหกมีตังเยอะแยะใช้รอยจ่ากออกไปหลอกลวงเขาบางต้มตุนเขาบางโกหกเขาบางมีทั้งมากมายทําให้เขาเสียชื่อเสียงเนี่ยเอ็ดทียดลาดยกยด ทำให้เขาตกทุกข์แต่ยากเพราะตรงถูนย์เขาถ้าเขามาทําให้รเรา่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาอยากโกหกตันให้พูดด้วยความชื่อสัตา์สิ่งที่พูดชื่อสัตยาไดแต่แต่บางสิ่งบางอย่างที่เราพูดไม่ได้แต่พูดไปแล้วมันเสียหายพูดความจริงเกินไปก็เสียหายพอเรารู้แต่ว่าพูดออกไปแล้วมันเสียหาย อันนี้เราก็พิจารณาด้วยปัญญาของเราเราก็บอกว่าเราสมควรที่สิทธิ์จะไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้นอันนี้เป็นเรื่องของเราถ้าพูดไปแล้วเสียหายถ้าเราพูดสิ่งไม่ใช่พาเราดูสิ่งไหนก็จะพูดสิ่งนั้นทั้งหมดไม่ใช่แต่เราต้องใช้ปัญญาความรอบขอบของเราอีกถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าว่ามีอะไรพูดหมดก็แสดงว่าเราโม่จนเกินไปมีอะไรปิดไม่อยู่กั้นไม่อยู่เราไม่ได้ตั้งกรองด้วยสติปัญญาของเรา เรากันกล้องด้วยสติปัญญาของเราแล้วเราก็จะทรงรู้ว่าสิ่งไหนควรพูดและสิ่งไหนไม่ควรพูดจงวนชิดพิจิตติเนี่ยจงวนสิทธิจไม่ออกเสียงจะไม่พูดจะไม่แสดงความคิดเห็นผิดหรือถูกไม่รู้เนีเพราะฉะนั้นจะไม่พูดไอ้นี้นก็เป็นเรื่องของเราข้อที่ห้าสุ ร, ราเมระยะมาชับประมาณ การดื่มสุราและเบียรยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าคนอื่นสุราเข้าไปแล้วทําให้เสียหายสุราตรงนี้แหละเบียตัวนี้แหละถ้าดื่มเข้าไปมากๆแล้วทําให้ยศฐานบรรดาศักดิ์ของเราเสียหายมามากต่อมากทําให้คนเสียคนมามากต่อมากพ่อแม่ฆาลูกลู้ค่าพ่อฆ่าแม่วงศาคนายาตกทรมิวาทกัน มากตัวมากเพราะเหตุใดเพราะว่าดื่มสุราเข้าไปแนละ้วขาดสติคนที่ขาดจิตสามารถที่จะทําความชั่วได้หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นฉิข้อที่ห้านะี่เป็นสินอันตรายมากในหลักของพวกปรัชนาเพราะนั้นพวกเราญาติโยมทุกท่านนะที่ลวงข้อพูดใหฟังให้สังเกตใช่ฟังและสังเกตไม่ใช่ฟังแล้จบนะให้ฟังให้สังเกตให้ใหส่ใจ แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนที่หลวงพ่อพูดสินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าไหมไม่ใช่รับเป็นประเพณีเข้ามารับต่อๆกันไปโดยที่ไม่เห็นคุณค่าถ้าพวกเรารับแล้วอ่านฟ้องด้วยเหตุผลแล้วสิลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงๆมีประโยชน์จริงๆสําหรับชุมชนและสังคมถ้าผู้ใดก็ตามมีสินค้ามากๆในชุมชนประเทศนั้นความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดกับชุมชนนั้นๆ ไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าว่าคนขาดสรินธรรมมากๆขาดสินค้ามากมากยุคใดสมัยใดประเทศชาติกลุ่มใดคณะใดวุ้นวายแน่นอนอีกไม่ต้องสงสัยอีกเช่นเดียวกันต่อนนี้ไปตั้งใจสมาทานสินะ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 สีเลนันิโพติงยันติจตสมาสีลังวิโสทายพระธศาสนาจพะพุเจ้าไ้บอกเดินเดินนั่งนอนทะเลหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าการเดินจะเอามือควายหลังเดินมือควายหลังเหมือนท่านตะเท่นั้น เามือกอดอกเหมือนคนเจ้าทุกต้องไม่ใชคนมีทุกในการเดินถ้าเดินให้กามันเหมือนกับท่าไมโครถ้าเดินตามลาพังต้องปรักเส้นทาพืนทำหมู่ประสานไปอดทานี้เป็นวัาคิดถ้าลำพื้ถ้าไข้ควรถ้าถึปลอกประการต่นี่ที่เราเห็นพระทวันนั่งเดินก้ม ท่านยืนพ่ายืนจะนั่งอย่างไรไ อ, อนน้ท่านท่านจะให้เดินนึ่แต่บางบางบางคนเมืม่อวานท่านเน่ยท่านก็เดินอย่างนี้ก็มีนะแต่ในขณะเดินเดินเทินเดินนี้ก็มีโดยมากคุณแม่คุณแม่สีแก้วนะ่ะเวลาท่านเดินผมให้เดิทําอย่างนี้นเออถึเดินของท่านนะแต่โดยมากเห็นครูบาอาจารย์เดินเนี่ยท่านทาอย่างนี้นแต่ท้าไม่เดินมือค่อยหลังอย่างที่ว่าเนะี่ยโดยมากสายหลงปูมั่นนะ แต่ว่าสายอื่นล้พฟองนะว่าบางทีตั้งกตเดินมือค่ายหลังกันก็มีวันแต่ไม่ล้มล้มปูมั่นทํานไม่เดินคู่บาอาจารย์ล้ปูล่าเวลาเดินถึงกรมทุกตุลตามเหมือนกันท่านจะเดินดูองคไหนท่านจะไปนัมือประสานอย่างไม่ทันทีแต่ท่านจะไม่เอามืออามือค่อยหลังท่านอกมือค่อยหลังเหมือนเดินมาทางตะเร เอามืออดอก น, นี้ผเหมืมอนันเเจ้าพกถูมเหมือนจะมีมีความพุกในใจปร่างนั้นแต่ถา้าเดินปวยแขนอนีผมือนถ้าธรรมดาเป็นไปขาดความเคารพเวลาเดินยกรมกับใครบบเดิอย่างนี้เปวันตรวถ้าเดินยงกมกันการเดินยกงกรมแต่และองค์จะเอกเป็นมาตรฐานไม่ได้คือบางองค์ก็สะดวกด้วยว่าสับายะ นั่งมากกว่าเดินบางองค์นอนมากกว่ายืนและเดินบางองค์ก็มากกว่านั่นแต่โดยมากครูบาอาจารย์ที่รู้รรเห็นเห็นกันอยู่มีแต่เดินกันนั่งจะมากกว่าโดยมากมีแต่นั่นงและแตเดินเดินและแตนั่งอันนี้จะมากแต่งค์ผมเนี่ยาวนาทางนอนดีกว่าน ไม่ค่อยได้ยินมีแตงนอนเข้าไปมันขันหลับทั้งวัน เ, ยเอยถ้ายืนเนี่ยผมภานาผมยืนเดินยืนยืนภาวนาเนี่ดีกว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินเพราะอะไรยยืนเข้าไปนานๆแล้วมันโมนเย็ยนโมนเย็ยนเอ่มันโมงเยิยนเหมือนกันแต่โดยมากจะเห็นได้ยินแตว่าเดินกับนั่งสองริยบทนี้มากกว่าแต่ได้ี้เวลาเดินนั้นเราจะเอา เดินขนาดไหนมากน้อยอย่างไรแค่ไหนหรืนั่งมันจะนั่งมากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนี้ก็คือสุดแท้แต่ พ, พูดพูดที่ปฏิบัติเราต้องดูการเทศะการสถานที่สะก่อนเที่นครั้งหนเราเดินกรมจิตมันทําไมมันไม่สงบทําไมมันโกงฟุ้งออกพยายา ม, มบังคับให้อยู่ให้มันอยู่กับก้าวเดินก้าวขาเดินจนบังคับจนมันจิตอยู่ในความสงบ เป็นได้ด้วยจิตผระสงบพอสมควรแล้วจะค่อยออกมาแต่อันนี้คือครูบาอาจารย์บางองค์ที่ท่านอย่างผมปู่บัวนะไม่ใช่หลวงตาบัวนะปู่ปู่บัวนนองแซงนะแต่จะมายท่านเป็นพระน้อยหมท่านบวชท่านมีครอบครัวและท่านจึงบวชแต่มาท่านบวชท่านก็ดดนยังคงอยู่ที่บ้านห้วยสยพวกโยมอายมนาของของหลวงพ่อเนี่ยเห็น การทายาทเสร็จแด้ท่านไเป็นโกดท่านยังโมข้างกระฝนตกเนี่ท่านยังตั้งร่มไปยังโกดตั้งร่มไนยังโกทางของท่านเนี่ยเป็นโสดเป็นเหวเลยนั่นเองท่านบอกวา่าทํามันจิตไม่สงบจะไม่จะไม่ขึ้ น, า น, นการทายาทเลยผมเดินทุกครั้งต้องให้จิตสงบถ้ามันจู่อย่างมากก็ต้องให้อยู่กับตัวเองซะวะเพื่อให้ให้นิ่งพอสอง่งป่วยจึงจะออกจากทางทายาทยังโกด ถ้าไม่ทาจิตยังไม่สงบจิตยังนคลื่นขนอนจะเดินอยู่มันเอาจะมันออดล้าเลยวันั้นเอออันนี้ก็คือเป็นแนวทางปฏิบัติของของแต่ละองค์องค์ท่านนะเนี่แต่ว่าตามไม่จริงการเดินอย่างนั้นที่จะทําให้จิตสงบในขณะที่เดินมันยากกว่าการนั่งเพราะว่าการเดินเป็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนีในรายบุตรของร่างกาย แต่ว่าจิตสงบได้ไหมได้ขณะที่จิตสงบในขณะที่เดินได้ไหมได้เวลาเดินไปจิตสงบมันจะเท้ามันจะช็ดกันเองเลยมันจะหยุดนิ่งโดยอัตโนมัติอันนี้ฝึกขณะที่เดินงดกลมจิตสงบจะเป็นลักษณะอย่างนั้นไอ้ถ้ามันหยุดมันจะหยุดกล้ามทันทีแหละนิ่งเลยสติกับจิตจะอยู่เป็นอัปปนาสมาธิเลย ในขณะนั้นใต้ในขณะที่เจ็บสงบกนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่ของได้แต่ถ้าลงได้ใต้ลึกมากทําให้ลืมแล้วนะเจิบสมบุกที่ขณะที่เดินอย่างโกลมแต่วันนึ่งนึ่งจริงๆริงแต่้ในเมื่อเราเดินเดินพอประมาณแล้วใวก่เราเออเข้าอยู่ ไม่คึกไม่ขนองไม่ไม่ออกนอกหูของเราออกจากทางเดียวกับกเข้ามานั่งเลยเข้าไปทาที่คือเราขึ้นมาถึงกุฏิที่ พ, ะพะระสงฆ์ระกาบพาะระไหวาา้พระเพราะว่าถ้าเสร็จแล้วรีบนั่งเลยให้มาต่อเนื่องเพราะในขณะที่เดินเดินไทยธรรมนั้นเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลนาะมันจะให้ทำจิตสงบไต่ยากแต่ที่เราก็พยายามบังคับให้จิต มันสมบอยู่ในขณะที่เดินแต่มไม่มันไม่สงบแต่มันก็มันจะอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิขึ้นมันต่อเนื่องแบบงนั้นแต่ในจิตใจสงบได้ง่ายขึ้นเพราะมันต่อเนื่องกับในการเดินนั้นคือโดยมากใจของเราเนี่ยจะให้มันนิ่งทีเดียวเลยก็คงจะเป็นไปได้ยากคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้นี่ แต่ว่าที่ังไงก็ตามเรามีความพยายามมีความพยายามมีความมุ่งมั่นในขณะที่เรานั่งสมาธิแต่ละครั้งในขณะที่เรานั่งใจของเราเป็นยังไงใจของเรามันใคร่คร่เออใจช่วงนั้นมันคิดเกียจคิดใจในใคราใจเออมันมีมิ่งไม่ใช่มันจะคึกๆุกคึกขนองทุกครั้งไม่ใช่นะ ใ, นใจให้สังเกตดูแต่คราน้เออใจมันไม่ไมอยากคิด ในเมื่อไม่เคคิดเราก็องหดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันนิ่งไปเลยแต่ถ้าว่าโอ้ข่าวนี้เอาไม่อยู่หรอกมันมีเรื่องมาที่จะต้องไ้คิดมันองมันมันเอาไม่อยู่ในเมื่อมันไม่อยู่นะเราก็ปล่อยปล่อยให้มันคิดให้มันอยู่ในกายยนครของเราเนีตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเมือเอ็นกระดูกไล่ไปหรือว่าเร า, าเราไล่กระดูกก็ได้สมม่าเราไปเห็นกระดูกโครงกระดูก ที <emás. équ altung> ่โครงพยาบาลลูกโครงกระดูกถ้าให้ไปเราสังเกตดูแล้วมันเป็นลักษณะนี้เราให้สังเกตดูโครงกระดูกมันมีหัวกระโหลกอย่างนั้นกระดูกมันเป็นอย่างนั้นตามันหัวอย่างนี้ขาัไกลมันเป็นอย่างนั้นคอมันเป็นอย่างนี้แขนมันเป็นอย่างนี้ไหปลาบไปอย่างนี้ขี้โคงมันเป็นอย่างนี้กจะดูกขามเป็นอย่างนี้กรกเชิงการของเขาหัวเข่าไปนี่แข่งไปนี้ป่าเท้าไปนี่เราดูดี จย่าน้นให้เราดั้งดูเราให้ดูกระดูกของเราถามว่าเราเรามีโครงกระดูกไหมอยู่ในนี้แต่ไปฏิเสธไม่ได้เพราะเราไป็นโคงกระดูกแน่ๆแค่นี้เราก็ดูโครงกระดูกเหมือนกับเราเราควานึกตามนั่นแหะตามที่เราตามที่เราเห็นนะ ต, ตามที่เราเห็นเห็นเห็นโครงกระดูกนั้นะนี่แหละพยายามดูตั้งแต่เท้าขึ้นมา ศีรษะศีรษรงเท้าเท้าศีรษะไม่ใช่ดูครั้งเดียวนะดูดหลายๆเที่ยวหลายครั้งนะนี่แหละอันนี้เมื่อดูในร่างตายทุกส่วนเมื่อกระดูกเราเห็นตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะนะในความรู้สึกของเราเราเห็นกระดูกท่อไหนที่ชัดเจนที่สุดในความรู้สึกของเราเราเห็นกระดูกท่อไหนที่ชัดเจนที่สุดเราเห็นกระโ ến, ะรหกะโลกศีรษะ เราเห็นกระดูกแข็งเรือเราเห็นกระดูกชีโค้งล้วเห็นกระดูกหไหนเห็นกระดูกไหนในเมื่อเราเห็นกระดูกชัดเจนี่จุดเมื่อเราดูหลายๆเทียร์เราเราเอาะติดจับจิตถูกทั้งไม่ให้มันเคลื่อนไหวไปคิดเลยแต่ที่แรกคือคือเร า, ค, เราคือเราดูดูดูอบทวนดูนะแต่ ด, ด, ด, ด, ดูดูแล้วเราเห็นในความรู้สึก ข, ของเราชัดจุดไหน เราสติอยู่จุดนั้นไม่มันเคลื่อนเลยดูกำหนดเลยนละจะทำให้จิตสงบได้อันนี้ท่านหลวงตาท่านบอกปัญญาอบรมสมาธิคือใช้ความคิดความคิดให้ถือปัญญาแต่ตัวปัญญาตัวนี้ให้เข้าที่เราคิดบางทีมันอาจจะแทรกไปด้ยสัญญาและสังขาร สังขารคือความปรงแต่งที่สัญญามีความจำได้หมายรู้มันไปมันไปอยู่จุดนั้นแต่ที่อย่างไรก็ตามเป็นวิถีของปัญญาแต่เมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดปัญญาแต่อันดับแรกมันก็ต้องเป็นสัญญากละสังขารก็่อนถ้าเราไม่ปรุงไม่คิดมันไปอยู่นิ่งมันก็เป็นสมาธิถ้ามันปรุงไปถ้าเห็นตามความเป็นจริงมันก็เป็นปัญญาถ้าว่ามันมันพลิกรอกไปอีกทางหนึ่งมันไปสุดโตกันหนึ่ง แ น, น่นไปว่าเป็นสมุทัยเหตุให้ทุกเกิดเป็นสังขารการ น, นั่งใช่ไหมก็ธรรมดามันก็ต้องปวดเพราะเรายังไม่ตายใช่ไออถ้าคนตายแล้วไม่ปวดแน่วันนั้นเถอะอันนี้มันต้องปวดแต่ว่าการปวดเนี่ยบางทีพอนั่งหน่อยเดยวมันก็ปวดเท่านั้นถเถอะ อ, อันนี้อันนี้อัน น, น, นี้อันนี้มันเกินไปวันนั้นเลยอันนี้เราก็ต้องอดทนนะแล้วก็คิดว่าเ อ, อ ไม่ใช่เรานั่งสมาธิจะไม่ปวดแข้งปวดขาอยางนั้นผมคงจะไม่ใช่แต่เวลาเรานั่งอดูหนังฟังลําดูโทรทัศน์นั่งนานเท่าไหร่มันปวดแข้งปวดขาเรายังพลิกได้ใช่ไหเออันนี้นั่งสมาธิจะไม่ปวดเลยมังงงจะเป็นไปไม่ได้แต่นั่งอย่างนั้นใจเราชอบเลยเราก็ยังยังก็รอยังทนได้ใช่ไหมจะจุดพลิกทางนั้นพลิกที่ทนต่อ อันนี้การนั่งสมาธิจะไม่ปวดเลยมันคงเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องปวดแต่ว่าการปวดตัวเนี้เราจะใช้วิธียังไงพอปวดแล้วปวดนั่งสมาธิมันไม่ปวดตูนังฟังลำปวดตูนังฟังลำปวดแล้วก็ยังมองอยู่ว่านั้นเลยยังจะฟังต่อยแต่ปวดสมาธิพอปวดมันออกเลยวันนั้นเถอะอ่อยหลังกุดเนี่ยมันอยากจะออกเลยไม่สู้ว่างั้นเถอะตัวนี้เราเราต้องอาศัยการบังคับ ปติมันครับแล้วก็พิจารณามันปวดที่ไหนปวดที่เขา่าจะไหมปวดที่เอวจะไหมเห็ในไหใครเป็นคนว่าปวดใจของเราให้ความสำคัญใช่ไหมถ้าคนตายละ่ะแต่คนตายไม่มีวิญญาณไม่มีใจอ่ะมันปวดไหมมันไม่ปวดเ้าทำไมมันไม่ปวดเพราะใจไม่รับรู้ในเมื่อใจไม่รับรู้ถ้าอย่างนั้นเราจะไปรับรู้มันสิ เราจะให้ความสาคัญมาสิทดลองมาสิกายก็คือกายใจก็คือใจแยกมาสิอันนี้ก็คือวิธีวิธีการแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายอันนี้ถ้าถ้าแยกได้อย่านั้นมีประโยชน์มากในอนาคตเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวทน า, าก็้าขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ได้เราจะไม่ทุรนทุรายกับเวทนาที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือเราเพ่มพยายามเริ่มแยก แน่ในขณะที่มันปวดราแยดดูพยายามแยดจุบ่อยๆแน่ดูซิมันปวดเราอดตายไหมแน่มันปวดอย่างเนี้ยแน่ถ้าว่าคนตายแหละขวานขับเข้าไปมีดฟันเข้าไปไฟเผาเข้ไปมันเจ็บไหมมันไม่เจ็บทําไมมันไม่เจ็บเพราะไม่มีใจเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นไม่มีใจนะเราก็รู้แล้วว่ามันมันใจของเราเราก็จะเจ็บสิแย่ แออกเอาซีดสซมันจะเป็นยังไงให้คำว่าเอาใจของเราออกจากร่างกายให้ดวนอั น, นเวทนาสวตเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นมาแล้วมันกระตับเพราะใจเราจะไปแบกมันเวทนาอันนี้ก็คือวิธีการแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายถ้าเป็นได้ใช่ไหมดีดีมากๆเป็นประโยชน์สําหรับตนเองต่อไปในอนาคตตาความาเก็บใครได้ป่วยขึ้นมาไม่ทุรนทุราย ไม่ใช่คอยเนี่ยร้ อ, อ, องไม่ใช่อย่างนั้นให้รู้ไปทำเวทนาขึ้นามาปุ๊บถึงข้าวแล้ ว, ลวเนี่ยออถึงข้ามาถึงข้าแล้ ว, ลวเนี่อค่าได้เจอหนักหนักเข้าไปเวทนาตัวนี้ในกเออ็เราพิจารณาข้านก่อนเราพิจารณาแต่ลูกหลานเวทนาอันนี้ปู่เวทนามาหาเราแล้ววะอ อ, อันนี้เราก็จะได้รู้ใช่ไหม แม้มันมีรูปมีลานเวทนามันมีหลายขั้นตอนเลยเวกระหายเวทนาหายใจเข้าหายใจออกในเ่องเวทนาเจ็บแ้างปวดขากเวทนา เ, เวทนาทางกายเวทนาทางจิตเวทนามีสเวทนาทางจิตนั่นคือทุกขเวทนาสิ่งที่มีความทุกขสิ่งที่กระทบเข้ามาทางจิตใจสิ่พอใจสิ่งไม่พอใจ ถ้าปิดสิ่งที่พอใจกเกว่าทุกขเวทนาถ้าสิ่งที่มไม่พอใจเรทุกขเวทนาเวทนาเข้ามาทางใจมีสองทางกาก็มีสองมนกันถ้าเรานอนรับกินอาหารอร่อยอันนี้กเกว่าทุขเวทนาถ้าว่ามันหิวมันกระหายปวดหนัปวดเบาอย่างเนี้ยะไรได้บ้าทุกขเวทนาดังนั้นเทวเวทนามีสอง แต่ทำไม่จริงสิ่งเหล่านีม้มหาสมัยสูงในนี้พระพุทธเจ้าพาพระสงฆ์ห้าร้อยรูปไปที่ป่ามหาวันพระพุทธองค์บอกว่าวันนี้นะเทวดาจะมาในจั ก, กรวาลมากที่สุดคือพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีครั้งเดียว เทวามาหาสมัยเพราะนั้นให้พดท่านทัหลายฟั้งมือดาดูกันแล้วกันนะเเทวดาจะมาในเมืองจักรวาลเนี่ยจะมาวันนี้มากที่สุดที่พระสงค์ควนรได้เป็นพระอรหานก็ไปนั่งสมาธิให้เข้าเทวดาให้นเข้ามามาฟังเทศของพุทธเจ้าก่อเสร็จแล้วพุทธองค์บอกเป็นไงประสงค์สหลายเห็นเทวดามากไป บางองค์ก็ยานะครับชนะสั้นเหมือนกับวิทยุขึ้นสั้นขื่นยาวอย่างนีสนับนะวิทยุเครื่องมันดีใช่ไหมมันอังกฤษอเมริกาโทรโลกเปิดที่ไหนมันรับได้หมดวันนั้นเอยเพราะว่ามันมันขื่นยาวแต่บางองค์ก็ขึ้นสั้นมันรับได้แต่แถวน้ำศูงข้างมนอย่างเงี้ยเออเอฟเอเอฟเอไกลๆอย่างเงอก็เห็นอยู่แต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าท่านรู้ทั้งหมดทั้งโคดทั้งแส่ทั้งตระกูล มเมล็ดนาเม็ดหนึ่งเทวดาไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนอยู่ในนั้นอีกขนาดมเมล็กนาเม็ดเดียวหนมากขนาดนัต่อันนี้ก็คือยาในทัศนาติของแต่ละองค์นั้นไม่เหมือนกันคือคือเปรียบเทียบให้ฟังเกี่ยวกครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยเราจะไปว่าองค์ น, นั้นเป็นไงองค์ น, นี้เป็อันนี้ก็นนกเป็นรูปบา ร, รมีขอ ง, ขอ ง, ข, องของแต่ละองค์คือ ในเชชิตัวนี้คือท่านตั้งิดอธิฐานท่านเร่งความเทียนของท่านแต่ถ้าว่าท่านหมดจดจากกิเลสแล้วเ่ท่านไม่รู้แต่ต่อสู้กับใครอย่างนั้นท่านจะนอนยังไงก็ได้ท่านจะฉันยังไงก็ได้แต่ท่านก็รู้ประมาณของท่านเองโดยอัตโนมัติคือท่านรู้ของท่านเองโดยอัตโนมัติคือไม่เกินไปให้ท่านไม่นอนมากจนเกินไป เราก็อดนอนมากจกนเกินไปจนร่างกายสู้ไม่ไหวโค้ท่านคงจะไม่ทําขนาดนนะั้นท่านคงรู้ก็ม า, า อ, อควรจะบริหารร่างกายของท่านอย่างไรควรจะฉันยังไงควรจะพักผ่อนยังไงเหมือนกับผู้ใหญ่กับเด็กอย่างนั้นสมัยก่อนเนี่ยเราก็ต้องเคียนเด็กกับวิสระบัณฑ์อา น, นั้นแต่เด็กไม่ทํางานแต่บัด น, นี้พอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็รู้ได้ ที่ท่านเป็นผู้ใหญ่คือใจเป็นพระหรหนะันเหมือนกักดูร่างกายของท่านสมมนกับเด็กเนีย่ยจะทนลุถนอมยังไงจะเลี้ยงยังไงกินใจ จ, จูได้นานแต่ตามไม่จริงท่าว่าพระาราหันในครั้งพระพุทธเจ้าที่ว่าพระาราหันมรณาภาพในวัดป่าเชตะวันกองไฟเนะี่ยไม่ดับไม่เคยดับไม่เคยมอดคือไฟในลุกอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็คือพระพุทองค์ คือท่านพระทหารทั้งหลายเมื่อท่านได้สาเร็จเป็นพระทหารแล้วท่านก็มอ ง, องดูว่าเรามีประโยชน์กับชุมชนและสังคมไหมคือพระทหารมีมากในยุคนั้นมีมากเพราะองค์ไหนที่มีบุญวัดสนาพระมีที่ท่านจะไปแนะนําสังสรรค์แล้วก็มีของท่านแต่สำหรับเรานั้นเมื่อได้สําเร็จเป็นพระทหารแล้วเรามีพี่มีน้องไหมที่จะให้แนะนำสังสรรค์เรามีประโยชน์กับชุมชนและสังคมไห ม, หนน ม, ม, มถ้ามองดูแล้ว โดย่นนะาณาธักของท่านนะเออเราไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีส่วนที่ดเกี่ยวข้องกับใครท่า ก, คนนกคนน็คนนั้นก็คนนั้นสอนคนนี้ก็องนั่งสอนสำหรับเราเราไม่มีเน่ยไม่มีภาระเราจบนะท่านก็วางขันทั้งทีเลยเนี่ยรู้ไปหยุดหายใจเอา ง, ง่ายๆเลยไปจบไปเลยนะท่านท่านทิ้งผาชนะดินไปรับภาชนะทองเขาไม่ยากพลาหารทิ้งขันเนี่ยแต่ท่านยังมีภาระอยู่ท่านกระทง รับภาระไปเพื่อช่วยการโลภพุทธศาสนาให้อยู่นานเท่าไัร่เพราะท่านยังเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมอยู่คือในจุดนั้นเหมือนกับเราจะยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางในเมื่อจุดหมายปลายทางเราจะต้องเจอทองคําเจอเม็ดมนิ่มจินต า, อ ย, าอย่างใหญ่หลวงแต่รถของเราเนี่ยใช่ไหมรถของเราที่จะขับไปเนี่ย มันก็ต้องตบีตะบันเลยว่างนันเอทั้งมทั้งบอกเปรียบใส่เลยว่างนันเถะเพื่อจะให้ถึงจุดนั้นถ้าถึงจุดนั้นเลยรถเนี่ยแปลว่าจะทิ้งไปไังไก็ได้อไม่ได้ห่วงรถเพราะเราได้ของที่มีคุณค่าถ้าจะเปรียบเทียบกับรถคันนี้แล้วเทียบไปไม่ติดนี่มือสุะเพชรรถคันนี้ราคาเท่าไหร่ว่างันเถอเพราะฉนั้นรถไิก็ไปเปรียบใส่เลยว่าแต่ว่า การบ่งบอกเป็นที่รับทราบกันทอดทอดกันมาว่าองค์ไหนที่เป็นพระธาตุนั้นคือพระราษฎรแต่ถ้าองค์ไหนยังไม่เป็นพระธาตุยังไม่รับรองแต่องค์ไหนเป็นพระธาตุแล้วแต่ว่าท่านองคนั้นเป็นเป็นพระราษรเป็นที่ยอมรับจะเป็นที่รู้กันนะแต่ใารพระไตรปิฎกรับรองอทั้งหลวงพ่อเองก็ ย, ยังไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าพระธาตุพระุทธเจ้ามีไหมตระกูลสามฤทธิกษาตริี์มีไหมอันนันมี แต่ว่ามีเกจิพระเกจิหลวงปูบาอาจารย์รุ่นหลังๆมาท่านก่อนประสบประการณ์ของท่านพระธาต น, น, นี้เป็นนั้นพระธานนี้เปนะที่เป็นเม็ฆกลมอันนี้ก็คือประสบปการณ์ในในยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยแต่ยังองค์หลวงปู่ม่านอย่างนี้ก็อธิธาตของท่านก็กลายเป็นประธาตุแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นอธิธาตุก็ยังมี แตเป็นประธาตก็มีมากระดับแรกก็คือที่เห็นกันคือหากันที่แรกจุดแร ก, กที่นครราชสีมาคือในวันขุน ม, มานา ม, มูลหลงปู่มั่นท่านลงมาจากเชียงใหม่ที่ลงมาที่เจ้าคุณธรรมเจดีหลวงปู่ธรรมเจดีวัดโพธิสุภคลนิมนต์ท่านก็ลงมารถมามาถึงมาลงที่โรคราชทำไมเนี่ยผมทางรถไฟของผมยังไม่ถึงอุดร ลงถึงมาถึงโคราชทึงกรุงที่นั้นที่นายวันก็ได้เขาไปกราบไปไหว้ท่านแาะก็ได้ฟังธรรมท่านเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าถือเดินสายอย่างสุดสุดใจเพราะว่าเป็นพก้าอยู่ในเมือพระพราที่สีมาจากนั้นหลวงปู่มกัท่านก็เดินมานำรถอะไรขึ้นมาจนถึงจตุรนครมาจากมั่นสาวัดโนนิเวศจังหวัดอุดรหลังจากนั้นก็ท่านก็เดิน ไปที่สกลนครไปแถบใกล้ๆพระวัดลอยธรรมเจดีทุกวันนบ้านตงโก บ, บ้านนาบนจากนั้นท่านก็เข้าไปบ้านหนองผืนอาไรในขณะที่เข้าไปอยู่นั้นในวันขุมบ น, นา ม, มนั้นทราบข่าวว่าตูมู่มั่นอยู่ที่ไหนเขาบรรทุกเกวียนอาหารมาจากนครราชสีมาเกวียนนักศีลาห้าลำห้าหกลำ ปีนึมาทั้ ง, งสองครั้งออกพรรษากันก่อนจะจะเจข้พาพรรษาเขาจะบันทุกพวกของใช้ของฉันอะไรนะเขามาถวายหลวงปู่มั่นเนี่ยพวกนมพวกขนมนมอะไรที่เขาเตรียมมาสมัยนั้นไม่มีรถจนต์เนี่ยบทุกเวียนมาถวายหลวงปู่มั่นเพื่ความเคารพนับถือแต่ในอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านไม่เคยรับกรินะ่นในวันขามานลมูลมาถวายกรถิ่น แต่เ่ออันนี้เป็นเรื่องของสงไม่ใช่เรื่องของอยากรวมจะมาเรื่องกระถินเนห่งสงจะทอยังไงก็เป็นหน้าที่ของสงไม่ใช่หนาที่รวมจะบังคับให้ให้พระทำเอาวางไว้นั่นแ่ะเออเออหลวงปู่มั่นก็ไปชัดบางสกุลในวันก็ไม่ว่าเออเพราะยังไงก็ได้ชาวหลวงปูมงป่มันม่นแต่หลวงปู่มั่นบ้านไหนอยู่ในวันยอมรับทั้งหมดวันนั้นอเออ แต่ปู่มั่นไปชักบงังคุณอย่างนั้นพอมาห ล, ลงปู่มั่นก็มารนาภาพอมรภาพก็ในอธิธาก็ได้แกดแบ่งกันองคในวันก เ, เป็นพระสงฆทลายก็ให้ความเกรงใจเพราะท่านกบติดตามหลวงปู่มั่นมาตลอดแม้ว่าเป็นดลวงปธรรมประทากอย่างใครคิดอ่งนั้นท่านก็ได้รับไปช่วนหนึ่งไปถึงนครราชสีมาไปแม่นาอันเลย อธิธาต์ของผมภูมันกลายเป็นประทาตุของเขาจุดแรกแเดี๋ยวหลงตาไปออกล้องสองรูเออนั่นนะธธแหละนั่นคือเปพระทาตุจุดแรกคนนั้นอย่างนั้นก็เป็นเรื่อยๆไป้ยินทุัวท่วทั่วไปอันนี้นก็คือประทาตุอธิธาต์ของต้ไมภูมันทานเปกลายเป็นประธาตุ แต่คนที่ไม่เชื่อโกงจะไม่เชื่ออย่างเก่าแล้วเพรความไม่เชื่อผู้ได้ฟังยังงี้ก็ไม่เชื่อเลยไม่รู้จะเอาอย่างไรเพราความไม่เชื่อนี่อยากจะฟังแต่จะไม่เข้าใจอให้เข้าใจไม่อยากจะเข้าใจก็ไม่จะเข้าใจเพราะไม่รู้จะทํำยังไงอยู่นะอันนี้มันไม่ใช่เป็นมาแต่ในครั้งนี้ในครั้งพวกพุ้ได้แก้วผมเหมือนกันทาพพวกผู้ได้แก้วได้รับรู้ฟนมาแล้ว ขันหัวใจคนให้ตรงทุกคนได้คงคงจะเป็นพรรหานกันคงไม่ไม่ยืดยาวถึงขนาด น, <S <S น, าาานี้ะ น, ะ น, ะนะมันต้องเอื้อบุญหลายทางคนที่จะรวยนะคนที่จะรวยแล้วมันต้องเอื้อบุญหลาหลายทางเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยเกี่ยวกับคู่เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับอะไรต่ออะไรหลายๆลายอย่างเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญที่จะรวยขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีบุญกุศลเข้ามากเกื้อกูลผมนั้น ย อ, ยอยากพูดได้ยังไงก็ยากแต่เป็นไปได้ไหมก็คงจะแบบลูกฟุกอะไรบางอย่างเออ็อาจจะมีส่วนแต่ว่าที้ยังไงก็ตามถ้าว่าเกิดมาชาตินี้เขาจะรวยได้ไหมอันนั้นถ้าว่าเขาทําบุญในปัจจุบันปัจจุบันในชาติท่านเราเป็นผู้ทั้งอกตั้งใจทําบุญ อ, อแล้วก็บุญกุศลเกิดกับเขาเขาก็พร้อมที่จะบุญกุศลได้เข้า มาแต่เป็นเครื่งประคับปคองนะว่าเป็นแนวทางของเท่าที่จะรวยนะอา่านั้นย่างสีเลนโชคกติงยันติสีเลนผูก้กสัมประธานผู้ริผู้จะมีโพคสัสมบัติได้เพราะศีลไม่ใช่แต่ทานอย่างเดียวเนะนี่ศีลนี่ก็เนี่ยทำให้เป็นผู้มีโพคัมากไดนะ้เมนกันสีเล น, นี่ผู้ติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้เพราะศีล คือเป็นบันไดเป็นบันไดเบื้องต้นเหมือนกันสมัญชนศีลสมาธิปัญญาโอ้หลวงตามหาบัวท่านบอก ว, ว่าเรานี่นะถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปถ้าเราบอกว่าหยุดนะเราไม่เอายาแล้วนะเราจะไม่รักษาแล้วนะเราจะไม่เอายาหยุดหนะห้ามมาแตะต้องเราห้ามมาเกี่ยวข้องเราห้ามมาแตะต้องเราให้ดูเข้ามาให้ดู อย่ามาแตะต้องเราเราต้องการอะไรเราจะดื่มน้ำอะไร่รให้มาตามที่ที่เราที่เราสั่งแต่ห้ามเข้ามาใส่น้ํากงใส่น้ำเสือสายระยงระยางห้ามเด็ดขาด เ, เราจะรู้แต่ว่าถึงยังไงก็ตามร่างกายของเราจะชักเด้นชักงอยอย่างไรก็ตาม น, นั่นคือขันไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจของเรา น, นั้นคือขันคือร่างกายสังขารคือขันขนันจะเป็นอย่างนั้นมันจะหางกิ่งแหลมขาดอย่นั้นมันดิ่งกับดิ่งของมัน ก็คือมันฐานจริงเด็กเหมือนกับรถ่รถที่มันเสียหละรถเบรกแตกกไนรถรถขนส่งหลุดไงถึงซูเฟอร์จะฝีมือดีขนาดไหนก็เถิดขนส่งมันหลุดแล้วมันก็ไม่ไปตามเป้าหมายมันก็ต้องตกเอไปตามเรื่องของมันไงเมื่อเบรกแตกตรงเหมือนกันแต่รถมันเบรกมันแตกแล้วสิฝีมือคนขับจะดีขนาดไหนมันก็บังคับมาอยู่เพราะว่าเบรกมันแตกอันนี้ก็เหมือนกัน ถึงจะเป็นใจ่พระหารก็เถอะมันก็บังคับมาอยู่เพราะร่างกายมันมันเสียหลักอย่เพราะนั้นให้รู้ว่านี่คือร่างกายมันเป็นอย่างนี้แต่มันมันเสียหลักแล้วมันต้องทุกร้อนกับมันเรารู้แล้วว่าเป็นอะไรเพื่อที่อยู่ดูเราเห้ามเข้ามาแตะต้องเข้าเข้ามาเกี่ยวขอ้องหงกับในขณะที่เราป่วยเราจะไปอย่างภาคภูมิเราจะไปอย่างสมศักด์ศรีของเราเพราะนั้นห้ามเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะนั้น ผมฟังคงร้องตาพูดผมว่าคงตาพูดเอถูกต้องที่สุดจุดนี้ถ้าเป็นอย่างผมผมก็คงจะทําอย่างนั้นถ้าผมถ้าผมยังมีสติอยู่ในขณะที่ใจจะขาดเรควรจะวางใจยังไงควรจะทจําใจยังไงควรจะภาวนาอะไรในขณะที่ใจจะขาดเ อ, อควรจะพิจิตพิษยาอย่างไรควรจะทจําใจยังไงในขณะที่ใจจะขาดอื อ, นนอันนี้มันเป็นปัญหาใครรใครกไ็ไม่มีใครที่ทีหนีพ้นไปได้ยลยมันเป็นปัญหาจริงๆเหงือนกันเออะหลวงพ่ อ, อได้กล่ว่าคือในหลักของพระิาศาสต ร, ร์นัตนต้อตกป็สองประเด็นคือประเด็นแรกเนี่ยก็เหมือนกับพี่น้องประชาชนญาติโยมทั่วๆไปคือปฏิบัติศีลธรรมบ้างให้ทานรักษาศีลบั่งภวนาบัง แต่ก็ยังไม่จริงจังแต่ว่าก่อนที่จะตายจะพิจิตพิจัยยังไงอันนี้เราต้องตอบประเด็นหนึ่งว่าถ้าว่าเป็นลนนักษณะนี้เราต้องระลึกถึงคุณงามความดีระ ล, ลึกถึงทานระ ล, ลึกถึงศีลระลึกถึงคุณงามความดีที่ตนเองได้กทําไว้ว่ามีอะไรบ้างในชาตินี้เราได้ทำเราขบประมวลาเออบุญกุศลที่ทราบเปเจ้ า, ไ, จาได้ทำแหมากน้อยในชาตินี้สั่งทลาสั่ง ดีหารในนัง่งพวาวนาไหว้พระสวดมนต์บุญกุศลนั้งขอให้มาช่วยข้าพเจ้าโดยเดินข้าข้าพเจ้ามีความจำเป็นแล้วอย่างสุดๆแล้วข่าวนี้คงคงจะไม่รอดละอันนี้คือร ะ, ะลึกถึงคุณงามความดีระลึกถึงบุญพอตายปุ๊บไปสู่สวรรค์แน่นอนพราะเราลึกเา ล, ลึกถึงคุณงามความดี แต่ถ้าว่าเราระลึกไปทางโมโหโธสททำไมไม่หาหมอมารักษาผุกเงินเราก็หาไว้ให้ตังเออยอะแยะทำไมไม่รักษาเราอย่างเนี้ยใครท้าวาโกรธโมโหโกรธท้าให้แกตุกแกหลานแกใครต่อใครอย่างเนี้ยเออหรือบอ น, นเป็นห่วงเป็นอะไรในทรัพย์สินเงินทองเลือดสูตรไหนาเออบ้านเรือนอะไรอันนั้นอาจจะเสียลอาจจะไป ตามที่ความคิดของตัวเองขนาดเป็นพระในครั้งบาาําพ็ญเจ้าขนาดเพียงผ้าจีวรตัดผ้าจีวรใหม่ทุพุ่งจบมาใหม่ได้มาใหม่กู้ผ้าจีวรผืนนี้ถูกใจจริงๆผุ่งนี้จะได้ใช้ละเพราะตกกลางคืนมาอาหารไม่ย่อยอาหารเป็นผิดท่านก็เลยใจขาดเพี้ยนใจขาดและนึกถึงผ้าจีวรอยู่ตลอดก็ยังเกิดเป็นเลนในผ้าจีวรนั้นเนี่ยขนาดที่ท่านภาวนาขนาดนั้น คือใจส่จวนที่ใจจะขาดนมันเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นจุดนี้ให้ให้เตรียมขอบอาไว้ให้คิดเอาไว้ให้ระลึลกถึงคุณนามความดีระลึลกถึงบุญคุณศนในขณะที่ใจจะขาดอันนี้คือตบประเด็นหนึ่งให้ไว้ทั่วไปแต่สำหรับพระกรรมาฐานอย่างพวกเราท่าทั้งหลายจะทําใจยังไงในขณะเมื่อถึงจุดนั้นนี่คือใจจะขาดผมว่าพอใจจะขาดก็ วิ่งเข้ามาหาตัวผู้รูทันทีคือวิ่งเข้ามาหาใจกําหนดดูใจทันทีดูให้รู้ว่าใจเออเนี่ยเห็นไหมร่างกายสมัยเมื่อก่อนนเราอยู่ดีมีสุขทางอาหารนอนหลับไปที่ไหนที่ไหนได้สะดวกสบายเราก็ลืมตัวว่าร่างกายจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ร่างกายนะมันเป็นอย่างนี้อนะันนี้แนะ้วมันจะไปทางนั้นอย่นะไม่เป็นอย่างอื่นนะนะมันออกแยกจากใจเลยนะใจอย่าไปหลงมันนะ ถ้าเกิดพบหน้าชาติหน้าอีกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกไม่เป็นอย่างอื่นกายอันเนี้ยร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นเพราะนั่นให้รู้เอาไว้เพราะพระเจ้าแล้วว่าร่างกายเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขงังสิ่งไหไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกมันเจอเราแล้วสิ่งไหนเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้ต้องแตกเราจะต้องออกจากร่างกายนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราให้รู้เอาไว้ใจตัวเอง ถ้าพบหน้าชาติต ย, ยังมีถ้าเราเกิดอีกนะาเรายังไม่หมดเชื้อจันเทศยังมีเราเกิดอีกเราก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกไม่เป็นอย่างอื่เกิดแล้วก็ตายอย่างนี้อีกเพราะฉนั้นเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนั้นใจของเราหนึ่งใจของเราได้เป็นสมาธิและเกิมันเกิดฌาน ญ, ญาณทัศนะเผยถ้าเราเบื่อหน่ายในขณะนั้น่ะเห็นโทษในขณะนั้นที่ท่านว่าสมตะวิีสี ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ใจจะขาดจวนเกี่ยนใจจะขาดที่ได้สาเร็จเนี่ยท่านท่านเห็นโทษเกิดความเบื่อหน่ยายท่านกระตกิเลชในขณะนั้นเป็นพระอรนได้เลยอันนี้จะมีมากกว่ามากในในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลก็ท่านเห็นโทษท่านก็เบื่อหน่ายอันนี้ก็มีแต่ถ้าว่าไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่พ้นทุกแต่ท่านเห็นเราเห็นโทษเกิดญาณทัศนะ เกิดานเห็นใ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในขณะนะั้นผมว่าไปเป็นพรหมเออออกจากนั้นไปเป็นพรหมหลยสู่พรหมเพราะท่านไม่อด้ไม่ได้มุ่งหวังอะไรไม่ถึกมันไปไม่พ้นแต่ว่าจิตใจมันนิ่งจิตใจมันอยู่ในใจ ใ, นใจเกิดเป็นเป็นสมาธิตะกายใจเป็นฌานมันเกิดความเบื่อหน่ายในตัวนะั้นแต่ยังไม่พ้นทุกยังไม่ตัดกิเลส ข, ขาดแต่ท่านไปสู่พรหม นี่แหละแต่ว่าถ้านอกเหลือไปจากนั้นไปท่้นเป็นพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีพระนาคามีพระรหนันท่านไม่ต้องพูดถึงท่านท่านรู้จักวิธีการวางคือพระพระโสดาบันนั้นไปแล้วท่านจะเป็นผู้ไม่ตกตำ่ำไม่มีไม่มีทางที่จะตกตำ่ำถ้าเกิดขึ้นมาก็เพียงชาติเดียวสามชาติเจ็ดชาติพระโสดาบันพระสกทาคามีจะเกิดชาติเดียวพระนาคามีท่านหรือท่านก็จะขึ้นไปอยู่ทรง สุดตะวันห้าชั้นไม่ลงมาเหยียบพื้นมนันลดโลกอีกต่อไปส่วนพระหรหัสแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงท่านละท่านจะวางใจอย่างไรท่านจะเป็นพระหรหัสเอมโดนกระไดพลในพั น, นยังเขายังไม่ถอดยศเพิ่งจะแก้ผ้าอยู่เ็ื่อจะเปลี่ยนใพนพลในพั น, นยังเก่าอันนี้ก็เหมือนกันพระรหาสถ้าท่านอยู่นี่ท่านก็เป็นพระรหาสเนี่ยนี่หลวงพ่อพท่านเป็นพระรหารแล้ว อ, อแต่ทานออกนั้นจงมาเนี่ย ถาต่ำกว่าพระโสดาบาัารนรมนควรจะวางตัวอย่างนี้ผมว่าน่นจาจะไม่ตกกังวลบางทีก็นั่นแหละร้องโหมร้องให้ไม่อยากตายทําไมไมาถูกกระฆาข่ า, ขาเายังไม่ถึงข้าวที่จะแตจากไปตายด้วยตายด้วยความทวิตกตายด้วยความกังวลตายด้วยความทุกข์เหมือนั้นไอ้ผู้ที่มาเฝ้าไข่กนะ็ร้องโหมร้องให้ผู้ที่จะตายก็ร้องโหมร้องให้หากันเหมือนกันแนะั้นไอ้มลักษณะอย่างนั้นจะมากกว่ า, าเพราะนั้น ต้องคิดเอาไว้ดนจุดนี้วันนั้นเถอะภาวนาให้มากมากเลยนะให้ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไปนะเนะ่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราขนาดร่างกายสังขารก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเงินคำทรัพย์สุขจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรปล่อยวางไม่ใช่ตัวตนของเรานะร่างกายแคนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่ตัวตน เ น, นี่ยซาลาล่างนี่ไม่ใช่ของพระอินนะขนาดกระดูกของพระอินยังไม่ใช่ของพระอินนะ mm hmm. เพราะนั้นต้องพยายามปล่อยวางที่ใจปล่อยวางที่ใจ